และวิปัสสนากรรมฐานไปไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นย่อมมีหลายแบบหลายอย่างเพียงแต่อารมณ์ของสมถกรรมฐานก็มีถึง4ี่สิบอย่างในเมื่อพูดถึงอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีถึง40บอย่างท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้สึกหนักหรือหนักใจว่า